50 languages. 68. 68. บแปดอรุณวั a ถิเจใหญ่เล็กเปรียดุ่งสีดียใหญ่และเล็กเช้างตัวใหญ่ ย้ ன น ப ெ ர ிย த ுหนูตัวเล็ก ச ุน்ดลีสி ற ดียมืดและสว่าง ட ு ம ตุெ ள เว்ิ ம มุมตอนกลางคืนมืด இரவு இருட்டாக இருக்கிறது ตอนกลางวันสว่าง பகல் வெளிச்சமாக இருக்கிறது แก่ชราหนุ่มสาวมุดมยุมอิละมยุมคุณปู่คุณตาของเราแก่มากนทะทะ้มดนต่อต่อมุดุหมายอนอวบ70ปีที่แล้วท่านยังหนุ่มยังจุดวรนวันทีรักมุบ่บุอวร์อิละหมายย้อนยินดี สวยและน่าเกลียดอารักกอนั่งมอสิงกมอนั่มผีเสื้อสวยวรรณตุพุชีอารักกอนัตุแมงมุมน่าเกลียดสิลันดิพุชีอสิงกมอนัุอ้วนและผอมปรุมนุมวลลิยม ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนนูร์กิโลแย่ได้อุ้ดเอียบวรุปินปารุมนอ น, อนวลผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอมอิมบัตกิโลแย่ได้อุด้ดเอยบวรุปินโวลลีอนวลแพงและถูกวิไลวุยันต ด, ดุมมลลิวอนดุมรถราคาแพง มอเตอร์วันดีวิเลย์ยิ่งดัดด็หนังสือพิมพ์ราคาถูกเศดีตตลมลิวานดด็